ก็ารบูชาพระัตนตรัยาการ บ, บูชาครูบาอาจารย์ไม่ว่าจหลว ง, งพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนข้าวกาบกระวะหลวงพ่อกลุมอาจารย์วัฒนาชัยอาจารย์ฉัดชัยพันเตเพื่อนศัทธมิตรเจริญพรมายัางย่าดีมทุกคนการนั่งกันตามปกติ นะด้วยความตื่นรู้อย่านั่งงบง่วงหลังจากที่เราทำวัดสดมนนะกันเรียบร้อยแล้ว <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันจรรันทร์นะที่23มิถุนายนพุทธศักราชส5 5 7นะก็เป็นวันแรกนะที่กลุ่มบุคลากร นะซึ่งก็ประกอบด้วยข้าราชการพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะมาร่วมนะปฏิบัติธรรมนะที่วัดป่าสุขโตเนะท่าที่ทราบจำนวนตอนนี้ก็ประมาณ75คนนะก็ทางวัดป่าสุขโตก็มีความยินดีนะขอต้อนรับพวกเราทุกคนนะที่มาใช้ชีวิต แห่งการเรียนรู้นะเรื่องจิตเรื่องใจในครั้งนี้นะแล้วเราก็จะอยู่กันทั้งหมด5วันเราวันนี้เป็นวันแรกสำหรับการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะพวกเราคงได้ยินกันมาบ่อยๆแล้วก็นึกภาพไปต่างๆนานานะว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการมาอยู่วัดนะการนุ่งห่ม ชุดขา ว, วมาถือศีล8บ้างศีลห้าบ้างมาบวชนะบวชพระบ้างบวชชีบ้างหรือบางคนก็ไม่ได้บวชนะแต่ก็นั่งชุดขาวนะแล้วก็มารักษาศีลนะแล้วบางคนก็ออมีทำกรรมฐานด้วยนะมาปฏิบัติธรรมเมื่อพูดถึงเรื่องกรรมฐานเะนะี่ย นะหลายคนฟังแล้วก็รู้สึกขยาดหรือนะรู้สึกว่าเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องที่ยากนะเป็นเรื่องที่เข้าใจายากนะเป็นเรื่องที่ทำยากนะบางคนก็รู้สึกแย่ไปเลยนะแล้วก็ไม่กล้านะที่จะมาเรียนรู้นะหลายคนก็ได้ยินได้ฟังมาว่าทำกรรมฐานนี่ถ้าทำไม่ถูกเดี๋ยวจะเป็นบ้านะเออมันก็มีอย่างนั้นเหมือนกัน เรก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามาเรียนรู้ไม่กล้าที่จะมาฝึกนะเห็นว่าเป็นเรื่องของพระของชีไปนะไม่ได้เกี่ยวกับเราเราอยู่ในโลกนะเราไม่ต้องไปเรียนรู้ไม่ต้องไปศึกษาเรื่องพวกนี้ก็ไนดะ้ชีวิตของเราก็สุขสบายอยู่แล้วนะมีงานมีอาชีพนะมีครอบครัวมีบ้านอยู่ ม็น่าจะเพียงพอแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่เห็นจําเป็นงานนี้ก็อาจจะมีบางคนบางส่วนก็คิดว่าไม่จําเป็นเลยน่าจะต้องมาเรียนรู้พวกนี้แต่การที่พวกเรามากันในคราวนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะมีความตั้งใจมีศรัทธาส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหน่วยงานหรือผู้บริหาร เราเห็นความจําเป็นนะในการที่เราจะพัฒนาบุคลากรนะในหน่ว ย, ยงานของเราการพัฒนาบุคลากรเนะท่าที่ทำมาสมัยทํางานอยู่นะในหน่วยราชาการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นท า, างด้านวิชาการนะทางด้านทัศนศึกษานะไปดูงานที่นั่นที่นี่นะเพื่อเอามาพัฒน า, ามาปรับปรุง นะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องข้างนอกแต่การที่เรามาพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้เนะีนะ่ยคงจะแตกต่างาไปจากการพัฒนาบุคลากรที่เราเคยเคยได้ทำกันมานะเป็นการพัฒนาบุคลากรในในระดับลึกลงไปนะในจิตใจนะของบุคลากรนะซึ่งในในการที่จะพัฒนา หน่วยงานหรือองค์กรได้เนี่ยนสิ่งสำคัญที่สุดปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือเรื่องคนถ้าคนมีคุณภาพนามีประสิทธิภาพในการทำงานนาก็จะทำให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้านาทีนี้คนจะมีประสิทธิภาพมีคุณภาพได้เนี่ยนก็ต้องพัฒนาไปลงไปที่จิตใจนซึ่งจิตใจเนี่ยเป็นพลังขับเคลื่อน งาที่สําคัญถ้าใจิตใจเรามีความตนตัวมีความกระตือรือร้นนามีความขยันขันแข็งนามีความคิดสร้างสรรค์นล้วก็มองเห็นประโยชน์งาของการกระทําของเรามันก็จะทำให้เรากระตือรือร้นงานในการที่จะทํางานแล้วก็จะทําให้งานนั้นประสบความสําเร็จนะ แตงมันข้ามนะถ้าใจิตใจของเรามีเรื่องคุ้นคิดมากนะแล้วก็บางครั้งนะก็มีเรื่องขัดแย้งกันบ้างนะก็บางทีก็มีปัญหาต่างๆเข้ามานะทั้งในเรื่องของปัญหาในครอบครัว็ดีมีสิน็ดีปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะตรงนี้มันก็ทำให้เกิดการบั่นทอนนะทำให้เกิดการท้อแท้ขึ้นมาได้ นะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทําให้อ่าการทํางานเนี่ยทำไม่ได้เต็มที่นะพูดง่ายง่ายของใจของเราเนี่ยมันไม่เต็มร้อยนะใจของเรามันมันไม่เต็มที่นะผลงานออกมาก็อาจจะได้ไม่ดีในะอย่างที่เราคาดหวังเลยว่าผู้บริหารนะคาดหวังไว้นะเพราะฉะนั้นจิในะเรื่องของจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ นะถ้าเราสามารถพัฒนาจิตใจนะให้มีการตื่นรู้นะมีความกระตือร้นนะในการที่จะทําการทํางานก็ดีนะในการที่จะมีชีวิตอยู่ก็ดนะีมันก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒน า, าบุคคลนะเกิดการพัฒนาหนงานต่อไปในการพัฒนาจิตใจเนี่ยมันก็มีวิธีการพัฒนาหลายวิธี เท่าตามฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการคิดหาเหตุหาผลนาใช้เหตุผลนานา ต, ต่างๆนานาใช้จิตวิทยานาต่างๆนานนาแต่ในทางของพุทธศาสนาเนี่ยเราใช้สิ่งที่เราเรียกว่าจิตภาวนาไม่ใช่จิตวิทยาจิตภาวนาคำว่าภาวนาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการบริกรรมแต่คำว่าภาวนาหมายถึงพัฒนา พัฒนาอะไรพัฒนาสิ่งที่มันจะทําให้เกิดการตื่นรู้สิ่งที่ทําให้เกิดการตื่นรู้เนี่ยภาษาไทยเราเรียกว่าความรู้สึกตัวภาษาบาลีเรียกว่าสติสัมปชัญญะเรื่สติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญมาในการที่จะพัฒนาให้เกิดการตื่นรู้ขึ้นมาการกลับเครื่องชีวิต ถ้าเราขับเคลื่อนโดยไม่มีสติสัมปชัญญะที่เกิดจากการฝึกจิตภาวนาเนี่ยามันจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยจิตที่ซึมซึมว่า ล, ลมกลงในความไม่รู้หารู้ความคิดนาต่างๆนานานาดูเฉพาะความคิดที่อาจจะเป็นความอยากความโลภนะ วิถูกผักดันด้วยความหลงก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนเราก็มาดูว่าเราจะขับเคลื่อนชีวิตนด้วยจิตที่ตื่นรู้นหรือจิตใจที่ประกอบไปได้วยสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวอย่างไรเพราะนั้นการมาครั้งนี้ของพวกเราเนี่ยน่าจะมีจุดมุ่หลายตรงนี้นในหน้าของผู้บริหารนาที่ต้องการให้เราได้มา พัฒนาตัวเราเองนะให้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือนะสิ่งที่เราทำมาน่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าความดีเนี่ยนะมนมันมีดีขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่ได้ก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าเออชีวิตพอละดีแลนะ้งานการแค่นี้ก็ดีแล้วถ้าเราคิดว่ามันแค่นี้ดีแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดการพัฒนา เราเหมือนกับคนที่รู้สึกตัวว่ามีความสุขสบายแล้วนะเราไม่ต้องไปวิ่งเล่นอะไรแล้วนะตรง น, นีน้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความประมาทนะเกิดความประมาทไดนะ้ไม่มีการพัฒนาเพราะนั้นเราจึงได้ว่าในาประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะไม่หยุด น, นิ่งนะเขาจะมองจุดอ่อนของตัวเองแล้วก็จะพยายามจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ในแม่ของจิตใจของเราก็เหมือนกันจิตใจของเราเนี่ยนะถ้าเราไม่สังเกต ด, ดูให้ดีเราก็คิดว่าจิตใจเราดีแล้วนะจิตใจเราไม่ต้องไปทำอะไรมาแล้วนะตรงนี้มันก็เลยทาให้เราประมาทในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราสังเกต ด, ดูเนี่ยในแต่ละวันนะมันก็มีสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นความพอใจไม่พอใจเข้ามาอยู่ตลอดเวลา นะโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่พอใจเนี่ยมันก็นำความทุกข์มาให้กับเรานาะสิ่งที่พอใจมานะเป็นความสุขนาะเราก็อยากให้มันอยู่กับเรานานๆเราติดกับสุขมากๆเนี่ยชีวิตของเราเลยต้องดิ้นรนนาเราต้องการความสะดวกสบายต้องการความสุขสบายนาะเราเลยต้องดิ้นรนนาะและบางทีการดิ้นรนของเราเนี่ยนะมันดิ้นรนไปด้วย ความอยากนะที่ไม่รู้ตัวนะความอยากที่ไม่รู้ตัวนี่แหละนะที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความทุกขนะ์โดยที่ไม่รู้ตัวเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะเพราะแรงผลักดันนะของความอยากตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องอยากใช่ไหมนะคงจะไม่ใชนะ่ความปฏิริบริ้นเนี่ย ก็คือการที่เรามีมีความพอใจมีฉันทะในหน้าที่ในการงานในการดำเนินชีวิตนะโดยมีสติมาโดยความรู้สึกตัวนามีสติสัมปชัญญะทำอะไรด้วยเอ่อความพอเหมาะพอดีนะไม่ได้ทำไปด้วยอารมณ์ไม่ได้ทำไปด้วยความคิดที่เอ่อลืมตัวหลงตัวไปนะ เราไม่ได้ทำงานเพียงเพื่อที่จะให้มีเงินเดือนใช้จ่ายเท่านั้นแต่เรายังต้องการที่จะได้ผลสำเร็จของงานด้วยนะแต่ก็แน่นอนในผลสำเร็จของงานเนี่ยบางครั้งมันก็ทำให้เราเครียดนะทำให้เราอึดอัดเพราะฉะนั้นเป็นไปได้อย่างไรที่ทำงานสำเร็จด้วยนะแล้วก็ใจของเราก็เป็นปกติด้วยมนะเรามีความสุขกับการทำงานด้วยซึ่งตรงนี้เป็นโจทย์ที่ ค่อนข้างยากแล้วก็ทาได้ยากมากในยุคปัจจุบันตรงนี้นี่เองนะก็เลยกลับมาสู่เรื่องของการที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องของจิตภาวนาจิตภาวนาที่เราจะได้เรียนรู้กันที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเราเรียกมันว่าการเจริญสติการเจริญสตินะ วิธีการที่เราจะเรียนรู้ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยจะแตกต่างไปจากวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาส่วนใหญ่เนี่ยนาพอพูดถึงจิตภาวนาก็ดีกรรมฐานก็ดีเราจะไปนึกถึงการนั่งนิ่งนิหลับตานั่งนิ่งๆหลับตาเพื่อให้มันสงบพอสงบแล้วก็มาต้องคิดอะไรตอนนั้นน่ยเราจะรู้สึกมีความสุขมีปิติ นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นเป้าหมายน่ะหรือเป็นเรื่องที่เราจะทำได้เป็นกรรมฐานเป็นจิตภาวนานะที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปอันนั้นก็ใช่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะการพัฒนาหรือการทำกรรมฐานแบบนั้นเนี่ยมันจะต้องพัฒนาอีกระดับหนึ่งก็คือการที่เราไม่หยุดนิง่งมาอยู่ที่ความสงบอย่างเดียว เราต้องอาความสนบเนี่มาเป็นอารมณ์ในการพิจารณามาไม่ใช่ประยุดนิ่งแค่นั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ฝึกสติเราไม่มีความรู้สึกตัวดีพอเพราะฉะนั้นใจของเราก็จะไปจมอยู่กับความสุขความสนบขณะที่นั่งหลับตาเท่านั้นเองแล้วสังเกตนะคนที่ฝึกตรงนี้บ่อยๆเนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยก็จะติดสงบ เมื่อติดสงบแล้วเนี่ยถ้านั่งนิ่งๆก็จะต้องนั่งหลับตานิ่งๆไม่รับรู้อะไรไม่สนใจอะไรถ้าติดมากๆเนี่ยนะจะเป็นคนเก็บตัวไม่อยากสูงสิงกับใครไม่อยากติดต่อกับใครแล้วมีเรื่องอะไรเข้ามาทาให้วุ่นวายเนี่ยไม่ชอบเลยนานนี้เรกาก็ติดสงบนนเป็นผลจากการฝึกที่ไปท นาไม่ไม่ถึงที่สุดมันหนาพูดพูดง่ายๆก็คือไปฝึกแค่ชื่อเอ่อช่วงระดับหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ไปติดในความสงบนาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมนได้เลยบางคนเนะี่ยฝึกติดสงบแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ที่โกรธง่ายด้วยนาเราเจอนบางคนไปปฏิบัติธรรมที่วัดกลับไปบ้านนากลายเป็นคนโมโหง่ายเป็นคนโกรธง่าย หลายคนก็บอกอะไรไปปฏิบัติทำกลับมาโกรธยิ่งกว่าเดิมนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะของการฝึกกรรมาฐานแบบนั่งนิ่งๆหลับตาทีนี้วิธีการที่เราจะมาฝึกที่วัดป่าสุกโตเนนะเราจะไม่นั่งนิ่งไม่หลับตาลืมตาแล้วอาศัยการเคลื่อนไหวการพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าการนั่งนิ่งๆหลับตาที่กล่าวไปนั้นะ มันเป็นวิธีการที่ผิดไม่ผิดนะทุกวิธีถูกต้องหมดนะแล้วก็มีจุดเป้าหมายอันเดียวกันก็คือทำายังไงที่จะให้ใจมีสติอยู่กับกายเกิดการตื่นรู้ขึ้นมาเพราะอะไรความทุกข์ของคนเราเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยมันเกิดจากการที่ใจเราเนี่ยไปหลงอยู่กับความคิดความคิดต่างๆนานาโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดความคิดฟุ้งซ่านนะ่ นะตัวนี้มันทำให้เราพอใจไม่พอใจมีความสุขมีความทุกข์ชีวิตของเราเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยความไม่รู้เนี่ยซะเป็นส่วนใหญ่นะรักสุขเกลียดทุกข์เราไม่รู้จักเราไม่รู้จักมันมีอีกอันหนึ่งที่มันไม่สุขไม่ทุกข์ใจที่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือใจปกติเราไม่ค่อยคุ้นมันเพราะนั้นตรนี้มันก็ทำให้เราพลาดไป วันหนึ่งวันหนึ่งเราก็ต้องไปละเห็เล่อเ่ อ, อยู่กับสุขบ้างทุกบ้างพอใจไม่พอใจนัเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้เรียนรู้ทีนี้การฝึกเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวที่เราจะมาฝึกกันเพื่อว่าป่าสุกตาเนี่ยหลายคนถ้าไม่คุ้นเคยเนี่ยก็จะรู้สึกแปลกใจแปลกใจไม่พอบางคนบอกไม่ทำมาอย่างนี้ดูมันไม่ ไม่เท่เลยพูดง่ายนะภาษาธะไม่เท่เลยมันต้องนั่งนิ่งๆหลับตามึงจะเท่นะมายกมายกมือลืมต า, ม, ต า, ม, ตามันก็ไม่สงบอะไรใช่ไม่สงบแต่การไม่สงบในที่นี้เนะี่ยเราต้องการที่จะกวนอารมณ์กวนความ ค, คิดที่มันมีอยู่ที่มันมนานเื่องอยู่ในใจเราเนี่ยให้มันฟุ้งขึ้นมา ฟุ้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้รู้เท่าทันมันรู้เท่าทันสิ่งที่มันสะสมอยู่ในตัวเราเหมือนกับตะกอนของน้ำเนี่ยมันนอนก้นอยู่น้ำขั้นบนเนี่ยมันใสเราไม่ีู้เลยว่าข้างล่างมันมีตะกอนอยู่วิธีการที่เราจะเอาตะกอนออกเนี่ยต้องทำให้มันขุ่นขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ตักออกตักน้าที่มันขุ่นออก เติม น, น้ำดีเข้าไปการตักน้ําขุ่นออกไปเนะี่ยหรือน้ําโคลนออกไปเนะี่ยก็คือการที่เราไปตุกหรือไปกวนอารมณ์ที่มันมันนอนเนื่องอยู่อารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายเนะี่ยมันฟุ้งขึ้นมานะให้มันฟุงนนฟ้งขึ้นมาเมอมันฟุ้งขึ้นมาเรารู้ทันพอเรารู้ทันการรู้ทันเนี่ยมันจะเป็นการ เอาน้ำเก่าออกใหม่น้ำที่ไม่ดีออกไปสิ่งที่มันฝังใจเรื่องที่ไม่ดีที่เป็นภาษาพระก็าาเรียก อ, อกุศลทั้งหลายความคิดที่ไม่ดีทั้งหลายมันจะค่อยๆออกไปอารม็ดแรก ม, มันจะมนอารมณ์ที่ไม่คเคยดีเท่าไหร่เช่นความเมื่องความเบือ่อความฟุ้งซ่านงานนี้มันจะแสดงออกมานะพอเมื่อแสดงออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องมือที่จะให้ใเราเนี่ยรู้ตัว รู้ทานมันทีนี้สิ่งนี้มันเป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นเราไม่สามารถที่จะไปปรับมันโดยใช้ความคิดแต่เราจะใช้การเคลื่อนไหวของกายเพราะกายกับใจมันติดกันเราอาศัยการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยให้เราเคลื่อนไหวกายนะฮะซึ่งก็รูปแบบก็มีสิสจังหวะนะที่ท่านอาจารย์จางศิลป์ได้พาธรรมือตอนเย็นนะ อันเนี้จังหวะเนี่ยก็คือเป็นอุบายที่หลวงพ่อเทียนน่ยท่านได้คิดค้นขึ้นมาโดยประยุกต์เอาจากสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็มาทำเป็นรูปแบบการนํา14จังหวะนั้นก็คือให้เรามีความรู้สึกตัวขณะที่เราพลิกนะพลิกกร็รู้ยกก็รู้เคลื่อนกร็รู้หยุดกร็รู้รู้อะไรรู้การเคลื่อนการไหวแค่นั้นอย่าไปรู้มากกว่านั้นรู้ตรงๆไม่ใช่คิดรู้นะ สัมผัสรู้เพียงแค่พลิกก็รู้เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้รู้สึกตัวรู้สึกกับการเคลื่อนการหยุดเท่านั้นใหม่ๆเนี่ยให้รู้ที่กายเคลื่อนไหวก่อนความคิดอารมณ์ทั้งหลายอย่าไปสนใจมันเกิดขึ้นมาอย่าไปตามมันกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวถ้าเราไม่มีหลักตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนพอมันคิดอะไรขึ้นมาเราก็จะตามมันไป คิดเรื่องอดีตบ้างคิดเรื่องอนาคตบ้างคิดเรื่องราวต่างๆนานาบ้างพิจตกงังวนไปกับอนาคตที่มันยังไม่เกิดอะไรอาวรไปกับอดีตที่มันผ่านไปแล้วชีวิตมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจมันไม่ได้อยู่กับกายปัจจุบันขณะที่นั่งอยู่ตรงนี้ขณะที่ฟังอยู่ตรงนี้ใจมันก็คิดไปถึงเรื่องน้นทิคถึงเรื่องนี้หลายคนคงเคยมีประสบะการณ์ อยู่ที่ทำงานก็คิดเรื่องเรื่องที่บ้านแต่พอกลับไปบ้านก็คิดเรื่องที่ทำงานพูดง่ายๆใจมันไม่อยู่กับแนื้อกับตัวแทนที่ตัวอยู่ที่ทำงานใจมันก็ควรจะอยู่ที่ทำงานตัวอยู่ที่บ้านใจก็ควรจะอยู่ที่บ้านทำไมจะต้องกลับไปกลับมาอย่างนี้นะตรงเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราไม่รู้เนื้อรู้ตัว เพราะฉะนั้นใ น, ในเบื้องต้นเนี่ยนาการที่เรามายกมือสิบสี่จังหวะเนี่ยก็เพื่อเรียกความรู้สึกตัวเนี่ยกลับมาอยู่กับแนวกับตัวให้ใจมาอยู่กับแนวกับตัวก็นิสัยเรียกว่าขวัญกลับมาอยู่กับแนวกับตัวเราไม่ต้องไปให้หมอขวัญเข้ามาเรียกเราเรียกกลับมาทีนี้นตรง น, นี้เนี่ยการทําต้องทําให้ต่อเนื่องนะมีเวลาอยู่ห้าวัน วันนี้หมดไปแล้วหนึ่งวันเล็กสวันวันสุดท้ายไม่ต้องพูดหรอกเพราะว่าก็คงจะใจกลับบ้านไปแล้วมีเวลาเต็มที่3มวันพรุ่งนี้มาเรื่องนี้มาเรื่องนี้3มวัน3วันนี้เป็น3วันหย่งการเจริญสติด้วยการสร้างจังหวะด้วยการเดินชงกลุมสองรูปแบบนี้สองอีโบทนี้นะเป็นงานหลักเป็นภารกิจหลักที่เรามา พัฒนาบุคลากรในครั้งนี้นะซึ่งการที่เราฝึก14จังหวะเนี่ยเราได้เรียนไปแล้วนะเดินจงกรมเดี๋ยวคงจะได้แนะนํากันต่อไปนะเอาว่าในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อเราตั้งใจมาแล้วหรือหน่วยงานมาแล้วเนี่ยขอให้เราใช้เวลากับการที่เราเอามาเจริญสติากับการเคลื่อนไหวอันนี้ก็เรียกว่าการเคลื่อนไหวการเจริญสติกับการเคลื่อนไหว เราจะไม่นั่งนิ่งเราจะไม่นั่งหลับตาเราจะไม่แน้นให้มันสงบแบบนิ่งนะการฝึกแบบนี้เนี่ยมันจะได้ความสงบอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าสงบแบบตื่นรู้เป็นความสงบที่เกิดขึ้นจากการตื่นรู้ในอารมณ์ในความคิดในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วใจมันเป็นปกติเฉยเฉยเป็นความเฉยที่ตื่นรู้ไม่ใช่เฉยแบบ ซื่อบื้อเฉาดับไม่ ร, มรู้ไม่รู้เรื่องราวอะไรซึ่งใจเฉยๆใจปกตินี่แหละที่มันทําให้เราไม่บ้าที่ทําให้เราไม่เป็นโรคประสาทที่เรามีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้เพราะไอ้ตัวใจปกตินี่แหละที่มันหล่อเลี้ยงมันดูแลเราอยู่แต่ไอ้ความที่มันไม่มีรสชาตินี่แหละเราก็เลยหลงลืมไปเราไปหลงอยู่ในกับอารมณ์พอใจแล้วก็เกลียดอารมณ์ที่ไม่พอใจ ไอ้เนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่มันชัดแต่อารมณ์จืดจืดอารมณ์เฉยๆฉยเนี่ยมันไม่ใคยชัดเราก็เลยไม่ใคยได้สนใจมันพอเราไม่ได้สนใจเนี่ยเราก็เลยไม่ได้มาสังเกตมันจริงๆแล้วถ้าใจที่มันพอใจไม่พอใจเนี่ยสังเกตเถอะสุดท้ายมันจะกลับมาปกติหรือเวลาเราโกรธเนี่ยสุดท้ายมันจะกลับมาปกติถ้ามันไม่ปกติมันเป็นบ้าไปแล้ววิธรรมาชาติมันช่วย แต่แลราจะไปให้ธรรมชาติมันช่วยได้อย่างไรนะตรงนี้เนี่ยการมาฝึกเจริ์สติเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถกลับมาสู่ความเป็นปกติได้เร็วขึ้นโดยสติที่ฝึกแล้วจะเป็นตัวที่จัดสมดุลเรื่องนี้นะแล้วก็จะทําให้เรามีจิตใจปกติบ่อยๆทีนี้เมื่อเรารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆเนี่ยสามวันเนี่นะตั้งใจทําดีๆ ตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยนะตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยแล้วาาลองมาดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรารู้ที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเห็นอาการปวดอาการเมื่อยอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่เนี่ยบางคนปวดเมื่อยลนะมันเป็นเน็บขึ้นมาแล้วให้สังเกต น, นะปวดเมื่อยเป็นเน็บน้ำหนักหนึบหดไหมถ้าหนักหดเนี่ยแสดงว่าปวดกายมันไปส่งผลต่อใจพูดง่าย กายเจ็บใจมันเจ็บด้วยแต่ฝึกไปแล้วเนี่ยนะกายเจ็บแต่ใจยังไม่เจ็บมันจะแยกกันได้นะซึ่งตรงเนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้ฝึกความอดทนแล้วก็ได้เรียนรู้ว่ากายกับใจเนี่ยนะมันเป็นอิสระต่อกันได้มันไม่จำเป็นว่ากายเจ็บแล้วใจต้องเจ็บตรงกันข้ามในทํานองเดียวกันไม่ใตรงกันข้ามในทํานองเดียวกันแต่บางทีเราเครียด เวลาเราเครียดมันเป็นเรื่องของใจใช่ไหมมันก็ไปส่งผลกายทำให้กายไม่ปกตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้ฝึกสติไว้เนี่ยนะสติมันจะเป็นตัวคลี่คลายความเครียดมันจะรู้เท่าทันแล้วมันจะปรับสมดุลเพราะฉะนั้นสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะในการที่เราจะขับเคลื่อนชีวิตของเราให้เป็นปกติสุขเมื่อรู้สึกที่กายชัด ต่อไปมันจะไปรู้สึกที่ความรู้สึกเจ็บปวดของร่างกายความร้อนความเย็นนะความม่วงนะความพอใจไม่พอใจความเป็นปกติของใจมันจะเข้าไปรู้สิส่งเหล่านี้ซึ่งการรู้เรื่องนี้ไม่ได้ใช้ความคิดนะใช้สิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญนะ เพรนั้นระบบการเรียนรู้อันนี้เนี่ยไม่ใช้ความคิดเลยอย่าพยายามใช้ความคิดนะขณะที่เรายกมือก็ดีขณะที่เราเดินจงกรมก็ดีถ้ามันมีความคิดอะไรขึ้นมาทิ้งให้หมดเลยกลับมารู้สึกตัวอย่าไปตอแยกับความคิดอย่าไปให้ค่ากับความคิดทุกๆุกความคิดทิ้งให้หมดเลยการที่เราทิ้งความคิดให้หมดแล้วกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆเนี่ยเราต้องการให้ความรู้สึกตัวมันเด็ด ใจของเราเนี่ยมันจะรับรู้ได้ทีลายอย่างถ้าไม่ใดความคิดมันครอบงมใจความรู้สึกตัวจะเข้าไม่ได้แต่ถ้าความรู้สึกตัวเข้าไปครอบงมใจคุ้มคองใจความคิดมันจะเข้าไม่ได้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยความคิดมันครอบงมใจเราบ่อยๆความรู้สึกตัวน้อยมากเพราะนั้นเรามาที่นี่เนี่ยเราเลยฝึกที่จะให้ความรู้สึกตัวมันเด่นความคิดให้มันด้อยลงไป วิธีการก็คือรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวมีความคิดอะไรขึ้นมาทิ้งไปกลับมารู้สึกตัวจริงๆไม่ต้องไปบอกว่าทิ้งอะ่ะเพียงแค่กลับมารู้สึกตัวมันจะทิ้งไปเองแต่แรกๆเนี่ยมันจะทิ้งยากหน่อยเพราะว่าเราเคยชินกับการคิดมาก่อนอก็ไม่เป็นไรเคยคิดร้อยเรื่องไม่รู้ทันสักเรื่องเลยตอนน่อไปนี้คิดร้อยเรื่องรู้ทันหนึ่งเรื่องอีกเก้าสบเก้าเรื่องไม่รู้ ทำต่อไปเรื่อยๆคิด้อยเรื่องรู้ทันสิบเรื่องอีกเก้าสิบเรื่องไม่รู้ทำต่อไปเรื่อยๆนะคิด้อยเรื่องรู้ทันแปดสิบเรื่องอีกยี่สิบเรื่องไม่รู้ทำบ่อยๆทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคิดปรบลูปรับคิดปรบลูปรับ ต, ตรงนี้อัตโนมัติต้งนี้มันจะใช้การได้สติมันตื่นเต็มที่ตรงนี้เราก็จะไปเท่าทันกับความคิดที่มันเกิด นะที่มันแสดงออกมาแล้วตรงเนี้นะมันจะช่วยควบคุมอารมณ์คนที่เป็นค น, คนที่โกรธเนี่ยมันจะเริ่มเห็นเลยนะก่อนมันจะโกรธเนี่ยมันจะหนุดหนดหน ด, ห น, ด, ห, นดหนึดข้างในก่อนเล็กๆเหมือนเป็นควันขึ้นมานะถ้าเราเห็นตรงนี้เนะี่ยเดี๋ยวสติเข้าไปจัดการเลยมันจะไม่โกรธปุงปังออกมานะซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์ทําให้เราเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เป็นคนที่มีความหนักแน่นน่าสุ ข, ขุม เกลีดเงินนะซึ่งอันนี้เป็นผลจากการที่เราจเจริญสติเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยการจเจริญสติกับการเคลื่อนไหวเนี่ยนะให้เราเคลื่อนไหวบ่อยๆทําบ่อยๆขณะที่เรามาทําวัดเนี่ยขณะที่มานั่งรอแทนที่เราจะนั่งเฉยๆใจลอยคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้หรือชวนเพื่อนคุยเนี่ยเราก็นั่งสร้างจังหวะสังเกตไหมว่าคนที่นี่เนี่ยเขามาถึงปุ๊บเขาจะนั่งสร้างจังหวะ ว่าเป็นพระเป็นชีเป็นโยมทั้งหลายเนี่ยเจะนั่งสร้างจังหวะเลยเขาจะได้มีการมาคุยกันนะพูดง่ายๆว่าเก็บทุกเม็ดนะเรียกว่าทุกวินาทีมีค่านะด้วยความรู้สึกตัวนะเรียกว่าใช้เวลาให้คุ้มค่าจริงๆให้มันคุ้มกับงบประมาณที่หน่วยงานให้มาให้มันคุ้มกับการเสียสละเวลาที่พวกเราได้เสียสละ เวลาในการทํางานวางการวางงานวางครอบครัวมาที่นี่นะตรงเนี้ยมันก็จะได้คุ้มค่าเพราะฉนั้นวิธีการเนี้ยไม่ยากเลยนะที่พูดว่ากรรมฐานกรรมฐานเนี่ยวิธีเนี้ยเป็นวิธีกรรมฐานสะดวกทำอัตมาใช้กรรมสะดวกทำนะแล้วไม่ต้องนั่งหลับตาให้มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆเนี่อันนี้เป็นส่วนของในรูปแบบทีนี้มันก็มีกิจวัตรประจําวัน ที่เราสามารถที่จะเติมสติหรือเติมความรู้สึกตัวเข้าไปได้นะเช่นเดือนเลิกจากตรงศาลาเนี่ยนาเดียจะมีการฝึกกันต่อในรูปแบบแต่พอประมาณทักสองทุ่มครึงสามทุ่มเราปล่อยกลับไปเนี่ยให้เราพยายามมีความรู้สึกตัวขณะที่ก้าวลงไปที่ศาลานะแทนที่เราจะเลิกปุ๊บเราคุยกันเลยจับกลุ่มคุยกันนะ หรือไปทําคิดว่าจะไปทำโน่นทำนี้ลองดูเดินไปด้วยความรู้สึกตัวไปจนถึงกุฏิที่พักของเรานะพอไปถึงกุฏิที่พักก็ต่างคนต่างเข้านอนอย่าไปจับกลุ่มคุยกันเพราะการคุยกันเนี่ยมันทําให้สติหลุดง่ายเพราะการคุ ย, ยมันเกิดเกิดจากการคิดข้างในหัวแล้วมันก็พูดออกไปและที่เนีถ้าได้คุยเรื่องที่ถูกอกถูกใจคุยกันมันแล้วเนี่ยมันจะลืมตัวไปเลย สิ่งที่เราฝึกมามันจะหายไปเลยดังนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องควบคุมตัวนิดหนึ่งนะแล้วก็พฤติกรรมที่เราเคยทําเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเช่นคนบางคนชอบคุยคุยมากๆเนี่ยพยายามพยายามลดลงนะมาที่นี่เนี่ยพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวถ้าเก็บเนื้อเก็บตัวดีคุยน้อยนอยหรือไม่คุยเลยคุยเท่าที่จําเป็นนะคิดปุ๊บว่าจะคุยหยุดไว้ก่อน ค่วงมันไว้ก่อนตรงเนี้ยมันจะทำให้การฝึกการเจริญสติของเรามันพัฒนามันก้าวหน้านะมาที่นี่อย่าหวังว่าจะมาสันทนาการเหมือนไปพัฒนาบุคลากรที่นู่นที่นี่งานรึไปอบรมคุณธรรมจริยธรรมพอเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันนะตรงนั้นเนี่ยมันได้ประโยชน์น้อยไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะนั้นเราพยายามเก็บเนื้อเก็บตัว อึดอัดนิดหน่อยในช่วงแรกนะนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับไปเองเข้านอนนะด้วยความรู้สึกตัววันนี้บางคนอาจจะนอนไม่หลับเพราะแปลกที่อาจจะเป็นคนคิดมากนะไม่เคยนอนวัดปากลัวไอ้นูน่นกลัวนี่ให้สังเกตดูไอ้ตัวนี้แหละที่มันเป็นปัญหาที่มันทำให้เราทุกข์ไอ้ความคิดนี่แหละสังเกตดูดีๆนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ย ทําใจให้สบายๆนะถ้ามันไม่หลับจริงๆลุกขึ้นมายกมือสิบสี่จังหวะเลยลองดูนะแล้วก็หมอนวางให้ตรงหัวพอดีนะพอมันง่วงกันนอนเท้งเต้งลงไปเลยนะอันนี้ก็หมอนดูความรู้สึกตัวพรุนี้ช้าตื่นมาขณะที่ตื่นให้รู้สึกนะสูดลมหายใจเข้ายาวๆให้รู้สึกออกยาวๆให้รู้สึก พลิกมือเล่นพลิกขาเล่นให้มันกระดุกกระดิกให้มันรู้สึกไม่อาจจะมีความคิดแว บ, บออกมาอย่าไปตามมันกลับมาตรง น, รงนี้กลับมาตรงที่กายเคลื่อนไหวนี้ลุกขึ้นพัดผ้าไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะจะลุกพวดผ้านนะบางคนนี่เป็นโรคความดันลุกพวดผ้านในทีความดันเส้นเลืวดสมองแตกได้ค่อยๆลุกด้วยความรู้สึกตัวนะตรงเนี้ยเราสามารถจเจริญสติกับกิจวัตรประจําวันได้ ลุกขึ้นพับผ้าเก็บของให้เรียบร้อยเดินเข้ า, าน้ําล้างหน้าล้างตาด้วยความรู้สึกตัวมีความรู้สึกกับมือที่มันไปสัมผัสกับน้ําเยน็ยนๆมาลูบหน้าลูบตานะตรงนี้เราก็เจริญสติได้แปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวแต่ก่อนเนี่ยเราแปลงฟันเนี่ยขณะที่แปลงฟันเราก็คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นต่อไปนี้ถ้ามันคิดไปเนี่ย อย่าไปตามมันกลับมาตรงนี้กลับมาตรงที่การเคลื่อนไหวที่แปลงสีฟั น, นเนี่ยอันนี้เราจเจริญสติได้ในชีวิตประจําวันมันไม่จําเป็นว่าจะต้องไปนั่งสร้างจังหวะตลอดไปนะนะเราไม่สามารถที่จะ น, นั่งสร้างจังหวะอย่างนั้นได้ทั้งวันนะเราก็ประยุกต์นะเรียกว่าประยุกต์กับการแปลงฟันนะแปลงฟันเสร็จนะบ้วนน้ําเรียบร้อยนะใส่เสื้อ เอาเสื้อใส่ถ้าเป็นผ้าก็นุ่งห่มชีอวอด้วยความรู้สึกตัวนะดูเสื้ออากาศมันหนาวมันเย็นขนาดไหนเสื้อขนาดไหนมันจะทําให้เกิดความอบอุ่นเนี่ยก็ใช้ปัญญาพิจารณาเสร็จแล้วแต่งตัวเรียบร้อยปิดไฟปิดน้ําปิดพัดลมออกมาจากห้องเดินมาฉายไฟฉายเดินมาด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่เดินมาคุยกันต่างคนต่างโดน นคนที่อยู่ที่เต็นท์เนี่ยพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็ถ้าเพื่อนก็ยังไม่ตื่นก็ไม่ต้องไปปลุกเขาเราก็ทำเบาๆเงียบๆอย่าไปทําเสียงตึงต่อันนี้ก็คือการมีสติกับกิจวัตรประจําวันเดินมาถึงศาล า, าก็มานั่งกระปูที่นั่งไว้ให้แล้วหรือเขายังไม่ได้ปูเราก็มาช่วยกระปูมานั่งนั่งเราก็นั่งสร้างจังหวะเลยอย่าไปนั่งนิ่งม อย่าไปนั่งคุยกันอย่าไปนั่งใจลอยนะนั่งสร้างจังหวะเลยนี่เ่าเราก็มาเล่นในรูปแบบทำจังหวะเสร็จไมวพระสวดมนต์เหมือนกันถ้าเราสังเกตดีๆนะถ้าเรามีสติในการสวดมนต์เนี่ยเราจะต้องฟังพระผู้นำไม่ใช่ว่าเราสวดไปตามใจเราถ้าเราสวดตามใจเราต่างคนตา่างสวดเนี่ยเสียงมันก็จะโอ้โหมันมีหลายโทนนะคนนี้ไวคนนี้ช้า คนนี้ปานกลางนะมันก็จะไม่พร้อมเพียงกันถ้าเราสวดมนต์ด้วยความรู้สึกตัวนี้ก็คือเราฟังผู้นําผู้นําท่านชา้าเราก็ชา้าท่านเร็วเราก็เร็วเราอย่าไปเอาตามใจเราตามใจเราคือโลเลอย่างเดียวเลยไม่สนใจคนอื่นเลยนะตรงนี้มันก็จะทําให้การสวดมนต์เนี่ยมันมันเกิดเสียงมันมันมีหลายหลายโทนนี่ยนะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสังเกตมแมลงไนหะมันจะมีตัวนําตัวหนึง่ง ในตัวที่เหลือมันจะกวางกัางวานเลยพร้อมพร้อมกันเลยแต่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยการเจริญสติกับสวดมนต์บทสวดมนต์เนี่ยก็ให้สังเกตนะว่าเร็ไปช้าไปให้ฝังผู้นำอย่าเอาใจเราเป็นที่ตั้งนะทีนี้ในขณะสวดมนต์เนี่ยให้เราพิจารณาบทสวดมนต์ไปด้วยมันจะมีแง่คิดมีข้อคิดต่างๆที่เราจะามาใช้ สังเกตไหมบางทีเราสวดมนต์ไปมันมีเรื่องแวบเรื่องที่บ้านปี้ลืมเรื่องนั้นลืมเรื่องนี้ก็มาเราจะไปสนใจทิ้งไปเลยมาอยู่ที่บทสวดมนต์นี้อันนี้เราก็มีสติกับบทสวดมนต์นะมันก็จะได้ทั้งความรู้จากบทสวดมนต์แล้วเราก็ได้เจริญสติไปพร้อมกันด้วยนะแล้วก็เกิดความพร้อมเพียงกันนะเราเราฟังผู้นําแล้วเราก็ไปพร้อมๆกันนะะ ตรงไหนชา้าตรงไหนเร็วตรงไหนควรเว้นวักก็เว้นวักนะตรงนี้ต้องสังเกตนะอันนี้ก็เป็นสติมันสังเกตนะมันจะมีเว้นวักมีตัวลูกน้ําตรงนั้นเราหยุดนิดหนึ่งหยัดสวดยาวไปเลยนะตรงนี้ให้สังเกตผู้นําเนี่ยนะพระที่ท่านสวดนำนะตรงนี้เราก็เจริญสติกับบทสวดมนต์นะทีนี้หลังจากสวดมนต์นแล้วปฏิบัติในรูปแบบแล้วไปกินข้าวเออกินข้าวนี่ก็จเจริญสติได้นะ กินข้าวยังไงมีสติสังเกตไมมแต่ก่อนเรากินข้าวเนี่ยเราตักข้าวกินกระไบแล้วเราก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้จะทํางานใ้นู่นในนีน้มาที่นี่เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเรื่องงานงานทุกอย่างทิ้งให้หมดเรื่องคราบครัวทิ้งให้หมดเลยวันนี้ที่จะยึดโทรศัพท์เนี่ยเพราะว่าจะตัดขาดจากโลกข้างนอกไม่ต้องไปสนใจนะห้าวันเนี้ยให้เป็นเวลาสําหรับตัวเองบ้างชีวิตของเราให้กับ สังคมให้กับครอบครัวมามากแล้วให้กับตัวเองบ้างเถอะ้าวันนี้นาให้เป็นชีวิตของเราจริงๆกินข้าวเนี่ยเราเคี้ยวให้ละเอียดลิมรสของอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่รู้คนที่กินข้าวไม่มีสติจะกัดลิ้มตัวเองเคยไหมกัดลิ้มตัวเองกัดลิ้มฟีบปากบางทีก้างปามันติดคออันนี้ก็คือไม่รู้ตัวนากินไปตามความเคยชิน นะหรือบางทีอาจจะเกิดโอ้รสชาติไม่อร่อยเลยไม่พอใจขึ้นมาละอ่าหรือโอ้อร่อยจริงพอใจขึ้นมาอีกนะตรงเนี้ก็ทําให้เราพลาดนะทําให้เราตกไปอยู่ในอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีพอใจไม่พอใจเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเก็บได้ทุกเม็ดในการกินในการดืม่มในการขัดทายนะ ห้องน้ําด้วยความรู้สึกตัวสังเกตนะคนที่มีสติเนี่ยเขาจะเปิดห้องน้ําไม่มีเสียงเลยนะแล้วเวลาปิดห้องน้ําก็ไม่มีเสียงแต่ถ้าคนที่ไม่มีสติเนี่ยจะเปิดป้งปังปึงปังเสียงดังเลยนะแล้วบางทีก็ในห้องน้ําแถวนี้เขาจะเขียนว่าให้ถอดรองเท้าบางคนไม่มีสติรีบเข้าใส่รองเท้าแล้วเธอเปิดปืดป้อนหมดเลยนาะนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ฝึก ฝึกได้ในการเข้างน้ําในการใช้สิ่งต่างๆแม้แต่อาบน้ําอาบน้ําคนที่อาบน้ำไม่ไม่มีสติเนี่ยลาดโคมโคมโคมโคมเปื้น้ํามากเลยและมันไม่สะอาดเท่าที่ควรหลักแต่ถ้าเรามีสติเราลาดทีละขันแล้วก็ล้างสะอาดสัมผัสกับน้ํากับตัวเราถูสบูแล้วก็ค่อยๆลาดทีละขันทีละขัน อันนี้ก็เป็นการฝึกสติได้มันได้ทั้งความสะอาดของกายแล้วก็ได้ความสะอาดของใจไปพร้อมๆกันด้วยเพราะนั้นเห็นได้ว่าการเจริญสติเนี่ยที่บอกว่าฝึกได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยมันมีทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบให้เรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆในรูปแบบเนี่ยมันเจนชัดแต่นอกรูปแบบในกิจวัตรประจำวันเนี่ยมันเจนไม่ค่อยชัดแต่ขอให้เราทา เก็บเล็กผสมน้อยก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยนะการไม่ทำเลยคืออย่างไงไม่ทำเลยก็คืออยู่ในรูปแบบเี่าโ h เอาจิงเอาจังนะปฏิบัติโอโหแต่พอเลิกแล้วไม่ทำเลยจับกลุ่มคุยกันหรอไปทำอย่างอื่นนะที่ไม่ใช่เป็นการเจริญสติคุยกันอะไรกันตรงเนี้ยการคุยกันเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเข้ากรรมาฐานยาก แล้วมันจะทําให้เราเผลอเราเพลินอีกอย่างหนึ่งมาฝึกที่นี่เนี่ยบางทีมันอึดอัดนาะอึดอัดแล้วบางทีพระท่านไม่อยู่เดินรอบวัดเลยสำรวจมาเพลินไปเลยตรงเนี้ยพลาดไปละเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปสำรวจป่ายังไม่ต้องสำรวจจิ่งวอบล้อมวั ด, ดนี้มีอะไรบ้างสำรวจเข้าไปในใจของตัวเองตรงนี้สําคัญที่สุด นะตรงเนี้ยให้ดูดูที่กายดูที่ใจของเราใช้ความรู้สึกตัวที่ฝึกดูเข้าไ ป, ไปบ่อยๆเดีู๋มันจะเห็นสิ่งที่มันฟุ้งขึ้นมานาฟุ้งขึ้นมาในการปฏิบัติเนี่ยสําหรับคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะมีสิ่งที่จะมาเป็นอุปสรรคหรือเป็นมานที่มาขวางกัน้นที่ชัดๆมีอยู่สี่ห้าอย่างเขาเรียกว่า น, นิวรณหนึ่งความง่วงสองความเบื่อ สามความฟุ้งซ่านสี่ความหดงดหิดลำคาญไม่พอใจอะไรต่างๆห้าความสงสัยความน่วงเนี่ยจะเป็นตัวเด่นมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเห็นมันน่วงขนาดที่บอกว่าไม่เคยน่วงขนาดนี้ขนาดเป็นกลางวันยังน่วงแต่ความน่วงนี่แหละที่มันจะเป็นบันไดที่เราให้ผ่านไปสู่ความตื่นรู้ สุดที่สุดของความเมื่อยคือความตื่นรู้เพราะฉะนั้นเราจะต้องผ่านอารมณ์พวกนี้ไปนะคนฝึกปฏิบัติไม่ว่าเป็นวิธีใดก็ตามจะต้องมีอารมณ์พวกนี้ความเ่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านให้ผ่านไปด้วยความรู้สึกตัววิธีการแก้ก็คือกลับมารู้สึกตัวถ้าเราสร้างจังหวะช้ า, ชาๆแล้วมันม่วงทําให้มันเร็วขึ้นถ้าเราเดินเบาๆนุ่มๆเราเดินให้มันแรงขึ้นปลุกให้ตัวเองตื่น อย่าสซ่งตรงนี้การแก้เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆว่ากันอีกทีนึงเพราะนั้นการเจริญสติการฝึกกรรมฐานที่วัดป่าสุกโตเนี่ยจะไม่สุขสบายเหมือนที่เราคิดนะหลายคนบอกมาปฏิบัติทำมันน่าจะสงบนิ่งๆไม่ต้องคิดอะไรเย็นสบายไม่ใช่ไอ้นันมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเจอกับอารมณ์ที่มันปั่นป่วนทั้งหลาย พายุอารมณ์ทั้งหลายความน่วงความเบื่อความเซนความฟุง้งซ่านต้องผ่านอารมณ์พวกนี้ไปก่อนมันจึงจะไปเจอความเป็นปกติความสุขที่เป็นปกตินะที่เป็นความานิ่งนิ่งนิ่งที่ตื่นรู้ไม่ใช่นิ่งแบบหลับไหลเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญนที่คนใหม่จะต้องสัมผัสแม้แต่คนเก่าก็ตามอารมณ์เบื่ออารมณ์อารมณ์ฟุ้งซ่านยันจะมี เพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นธรรมะที่เขามาแสดงให้ดูบางคนบอกโหฝึกมาแล้วมาเจอแบบนี้สงสัยผิดแล้วมั้งเนี่ยไม่ทงกจริตนิสัยของเราเบื่อไม่เอาทำแค่วันเดียวพอละที่เหลือก็ไปเดินเที่ยววัดรอกหรือไม่ก็าหาเพื่อนคุยจับกลุ่มคุยกันตรงนี้คุณพลาดไปแล้วคุณไม่ได้เรียนรู้อารมณ์ตัวเองเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยเข้ามาให้เราเรียนรู้มาให้เราฝึกเหมือนนักมวยอ่ะมันต้องมีคู่ซ้อม การฝึกแบบนี้อารมณ์เนี่ยเป็นคู่ซ้อมคู่ซ้อมเพื่อเรากลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวถ้าทำแล้วนิ่งๆไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะไม่เกิดการพัฒนากําลังใจจะไม่เกิดหมดือนเราอ ก, กําลังกายเนี่ยมันต้องเหนื่อยการฝึกกําลังใจมันก็ต้องเหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วมันแข็งแรงมันสามารถที่จะรู้เท่าทันอารมณ์เหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเป็นสิ่งที่อยากจะ นำเสนอหน้ากับพวกเราที่จะมาใช้ <c oughs> ชีวิตที่วัดป่าสุกโตในระยะเวสี่ห้าวันต่อพปนี้เนี่ยเราจะได้ประเชิญกับอารมณ์ของเราตรงไปตรงมามีทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีดีในที่นี้คือเป็นอารมณ์ที่เราพอใจอารมณ์ที่เราไม่พอใจแต่สุดท้ายเราอย่าไปสนใจมันคำว่าจะไปสนใจในที่นี้ก็คือไม่ต้องไปดีใจ หรือว่าเสียใจพอใจไม่พอใจให้เขาแสดงออกมาอย่าไปเก็บกดอย่าไปกบเกอนให้เขาแสดงออกมาแต่เรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆตรงนี้จะเป็นตัวลบหรือเป็นตัวละลายสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจมันจะชำระล้างสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจเราออกไปนะะสุดท้ายเนี่ยใจมันจะโ ล, ล่งโปร่งเป็นอิสระเป็นปกติ นะซึ่งอันเนี้ยเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วในตัวเราเป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยกับบุคคลกับวัตถุกับสิ่งแวดล้อมและตรงนี้แหละที่มันจะเป็นพลังนาที่จะทำให้เราขับเคลื่อนชีวิตขับเคลื่อนหน่วยงานขับเคลื่อนครอบครัวขับเคลื่อนสังคมต่อไปเป็นความรู้สึกที่ตื่นรู้ที่มีสติปัญญาไปพร้อมกันนะซึ่งอันเนี้ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่เรา อหน้าที่จะได้รับแต่อย่าเพิ่งไปหวังนะทุกสิ่งทุดอย่างให้ทำไปผลมันจะเกิดเป็นเรื่องของผลอย่าไปคาดหวังผลทำไปลองดูมาพิสูจน์ดูสามสี่วันนี้นี่คือสิ่งที่เจ้าชายชิตตะได้ค้นพบเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วและยังมีชีวิตชีวาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยที่เราจะทาไม่ได้สิ่งสาคัญหนึ่ง ขอให้อดทนสองขอให้มีความเพียรอดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้มีความเพียรขยันที่จะเดินจงกรมสร้างจังหวะขยันที่จะรู้ตัวในอิริยาบถต่างๆในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นยันหลับเนาะและถ้ามีปัญหามีข้อสงสัยอะไรก็ค่อยคุยกันอีกทีนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ อันในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนตรยัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในพวกเราทุกคนพระธรรมคือสัจธรรมความจรงิงนะที่จะแสดงปรากฏให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะได้แก่ การเคลื่อนไหวของกายอารมณ์ความคิดต่างๆที่แสดงออกมานรวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆน่ให้เราได้เรียนรู้ประสงค์ก็คือผู้ปฏิบัติหรือการปฏิบัติการที่เราเจริญสตินั่นเองด้วยความเพียรพยายามด้วยความอดทนนของทุกท่านขอให้เป็นพละวปัจจัยให้ทุกท่านนได้เข้าใจเห็นความจริงของชีวิตที่ มีอยู่แล้วในพวกเราทุกคนในวันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร